ถ้าเราดูจิตเป็นนะเราจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้วิมุตตได้มาเป็นลําดับลาดับได้ครบศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตตเป็นธรรมเป็นคุณธรรมคุณงามความดนะีถ้าเราได้จิตอันเดียวนะเราได้ธรรมทั้งหมดมาเราเสียจิตไปดวงเดียวเราเสียธรรมทั้งหมดไปด น, นจิตน้ะสำคัญ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 เวลาโกรธเราก็ไม่ดูจิตตัวเองว่ากำลังโกรธเรามั่ไปดูคนที่ทำให้เราโกรธอย่างเวลาเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราโกรธขึ้นมาเราทำไงบ้างกดแตรยังเห็นไหมจ้องมันตาไม่กับริปเลยจ้องมึงไปโน่นละด่าเองไม่ทานก็กดแตรงั้น mm hmm. จริงๆแล้วทุกคนนะดูจิตของตัวเองเป็นนะ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 ได้พักผ่อนถามว่าพักผ่อนดีไหมดีจาเป็นไหมจเป็นมีประโยชน์ไหมมีนะแต่ถ้าพักมากไม่ยอมเจริญปัญญาชาตินี้มันก็ได้แค่พักชาติหน้ามันก็ไปพักต่อไม่พักในลมมัโลกนะนั้นเราคอยรู้ทันนะครยรู้ทันจิตนี่ตัวสำคัญเลยนะอย่างเรารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมไม่หนีไปที่อื่นได้สมร t h จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตนีไปอยู่ที่อื่นนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันเราจะได้ความตั้งมัน่นเราดูท้องผ่องยุบถ้าจิตไหลไปอยอู่ที่ท้องจะได้สมถะจิตตั้งมัน่นขึ้นมานะรู้ทันจิตที่ ไ, ไหลเข้าไปที่ท้องจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะได้ความตั้งมั่นจิตนี้ไปคิดอีกรู้ทันอีกก็ได้ความตั้งมั่นถ้ารู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปเนี่ยจะได้ความตั้งมั่นถ้ารู้อารมณ์อันเดียวที่มีความสุข จะได้สมถะจะได้สมาธิชนิดสงบนะถ้ารู้ทานจิตที่ไหลไ ป, ไปคิดนะจิตที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งไปจะได้ความตั้งมั่นถ้ารู้อารมณ์ที่มีความสุขและสบายอยู่กับตัวอารมณ์จะได้ส ม, ถสมถาสมถะกรรมฐานเฉยๆไม่เดินปัญญานะตัวนี้แยกให้ออกนะเห็นไหมเรื่องจิตนะั้นประณีตนะไม่งั้นเราดูไม่ออกเราก็คิดว่าเราทําสมาธิแล้วคงจะเจริญปัญญาได้มันเจริญไม่ได้ถ้าเราไปทําสมาธิชนิดพักผ่อน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 ไม่ใช่วิปัสนาไม่ใช่การเจริญปัญญาดังั้นเวลาดูกายเราจะดูลงปัจจุบันเนี่ยต้องรู้วิธีดูดูกายดูลงป well ัจจุบันขณะร่างกายกําลังเคลื่อนไหวปากเรากําลังปังงบปังงาเนี่ยรู้สึกลงปัจจุบันนะเห็นเลยร่างกายนี้มันกําลังอ้าปากงางๆงับอยู่นี่ะร่างกายกําลังเคลื่อนไหวเห็นเห็นได้สดสดร้อนๆรู้สึกอยู่สดสร้อนร้อดูไปเรื่อยมันจะเห็นมันไม่มีน้ําหนักขึ้นที่ใจนะ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 หรือบางทีสัญญามันเกิดขึ Kang, ้นมาผุดขึ้นมาพอสัญญาผุดขึ้นมาสังขารก็ปลุงต่อจิตก็มีตัวมีตนอย่างนี้ก็มีอย่างอยู่ๆเรานึกถึงหน้าคนคนหนึ่งไม่ได้เจตนาจะนึกใครเคยเป็นไหมอยู่ๆหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมามีไหมไม่ได้เจตนาสัญญามันผุดขึ้นมานะถัดจากนั้นเราจะคิดต่อนึกออกไหมโอ้ไอคนนี้ดีคิดหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมานะความรู้สึกรักเกิดขึ้นหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาความรู้สึกเกลียดเกิดขึ้น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 เห็นไมมกระทั่งเด็กๆหนุ่มสาวก็เป็นน ะ, ะเห็นหน้าแฟนเรารู้ว่าแฟนนะชื่ออะไรว้าคนนี้เอเห็นไหมเนี่ยสัญญาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงเนี่ยตอนนี้เราเห็นง่ายนะตอนเลือกตั้งนะเขาติดรูปไปเยอะใช่ไหมมีรูปเยอะตอนนี้รูปปังอ น, นิจจารูปไม่เที่ยงรูปหายไปละถัดจากนี้ดูนโยบายสัญญาจะไม่เที่ยงละไอ้ที่สัญญาไว้หายหมดเลย แต่มันคนละอ่านกันนะนี่หลวงพ่อพูดแกงง่วงหรอกพูดธรรมะล้วนๆเดี๋ยวง่วนงะสัญญาเป็นความจําได้หมายรู้นะไม่ใช่พันธะสัญญาอย่างโลกๆนะอย่างจําได้ว่านี่สีเขียวนี่สีเหลืองนี่สีเขียวแปลว่าอย่างนี้สีเหลืองแปลว่าอย่างนี้จําได้หลายสเต็ปอันแรกจําได้ว่าเนี่ยสีเขียวนี่สัญญาระดับที่1สัญญาระดับที่2แปลเป็นสั ญ, ญลักษณ์ต่อสีเขียวแปลว่าให้ไปได้นี่สัญญาทั้งสิ้นเลย สัญญาอีกแบบหนึ่งก็จะไปปองว่าเป็นการเป็นมุมมองของจิตน ะ, นะเห็นว่าไอ้นี่เที่ยงไอ้นี่เป็นสุขไอ้นี่เป็นตัวเรานี่ก็เป็นสัญญาที่เปลี่ยนเปียนดงั้นสัญญามันจะทํางานสังขารมันจะทํางานสั่งมันได้ไหมจิตจะโกรธห้ามได้ไหมออโกรธแล้วไล่มันมันไม่ไปรู้สึกไหมคนไหนเคยเศร้าใจคยเสียใจไหมอกหักอะไรเงี้ย อ, อกหักเราเศร้าใจอยากให้หายหายไหมไม่หายจนเรา เ, เวลาที่อกหักนะเรานึกว่าเราคงต้องเศร้าทั้งชาติผ่านมาไม่นานเลยก็ลืมไปแล้วหายแล้ว อ, อกหักหายแล้วเพราะอะไรเศร้าใจก็ไม่เที่ยงเห็นไหมความเศร้าใจเนี่ยเป็นสังขารเนี่ยหากดูไปนะจะเห็นเลยความปรุงแต่งทั้งหลายของจิตเป็นของไม่เที่ยงนะจะปรุงดีก็ไม่เที่ยงจะปรุงร้ายก็ไม่เที่ยงจะปรุงสุขก็ไม่เที่ยงจะปรุงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะสัญญานะ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 อย่างเห็นขันห้าเป็นอนัตตาเยไม่ใช่เห็นขันห้าเป็นว่างๆขันห้าว่างน่ไม่ใช่คำว่าอนัตตากับว่างๆคนละเรื่องกันอนัตตาเนี่ยถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีหมายถึงเราบังคับมันไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันไม่เกิดมันมีเหตุมันเกิดมาแล้วพอหมดเหตุมันดับไปเราห้ามไม่ได้ การที่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอมตะถาวรนี่แหละคือคําว่าอนัตตานะงั้นบางคนมักง่ายนะอนัตต์แปลว่าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐินะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนความสุดต่งสองด้านสุดต่งสองด้านก็คือขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ถาวรกับขันธ์ทั้งหลายไม่มีอยู่เลยหรือขันธ์ทั้งหลายขาดศูนย์พพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้ทททงสนนิ้นเลย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 เนี่ยเห็นซ้าแล้วซ้าอีกนะเราจะเข้าใจอริยสัจหลวงปู่ดูลนี่แหละเรียนจากหลวงปู่มั่นสัพเพสังขาราสัพพสัญญานิจจเห็นไหมเรียนเรื่องอนิจจเห็นไหมอะไรอนิจจสังขารสัญญาอนิจจเห็นไหมสัพเพสังขาราสัพพสัญญานัตตาไม่เรียนเรื่องอนัตตาก็เรียนเรื่องไตรลักษณ์นั่นแหละนะเรียนสังขารเรียนสัญญาเป็นไตรลักษณ์ถ้าจะพูดให้เต็มสูตรนะก็ต้องมีเวทนาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าหลวงปู่มั่นท่านชานฉลาด ท่านพิจารณาแล้วว่าหลวงปู่ดูลเรียนแค่2ตัวนี้ก็พ้นแล้วท่านก็สอนสองตัวนี้แต่ไม่ใช่มีแค่2ตัวนะมีตัวที่สคือตัวเวทนาด้วยนะแต่แล้วแต่แต่ละคนเรียนไม่ต้องเท่ากันไม่เหมือนกันหรอกนะนี่หลวงปู่ดูลดูสังขารมันทํางานแล้วก็เห็นในสังขารกับสัญญามันทํางานนะเนี่ยแล้วจิตก็เข้าไปหมายขึ้นมาสัญญาแหละไปหมายก็มีตัวมีตนมีตัวมีตนก็มีทุกนะสังขารปรุงขึ้นมานะไม่หลงไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตน สัญญานั่นแหละเป็นตัวไปสําคัญมั่นหมายพอสังขารปรุงขึ้นมาสัญญาไปสําคัญมั่นหมายก็มีตัวมีตนมีตัวมีตนก็มีทุกขท่านถึงเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่าถ้าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันปรุงนะแล้วก็สัญญาไม่เข้าไปไปลงสัญญามันหลงผิดไปปรุงแบบหลงผิดไปตีความแบบหลงผิดก็เกิดตัวเกิดตนขึ้นมาถ้าไม่ตีความแบบหลงผิดมีสัญญาที่ไม่วิปลาสนะความเป็นตัวตนไม่เกิด ถ้าความเป็นตัวตนไม่เกิดที่ตั้งของความทุกข์ไม่มีนี่ท่านจะเห็นลึกซึ้งไปจนถึงตรงนี้เลยเมื่อไม่มีตัวเราขึ้นมาแล้วความทุกข์จะไปอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่ขันแต่ไม่ได้อยู่ที่เราเพราะเราไม่มนะีนี่นางความเข้าใจอริยสัจแห่งจิตก็คือสุดท้ายทําลายความมีตัวมีตนไปทําลายความเห็นผิตว่ามีตัวมีตนนะทำลายความยึดถือว่ามีตัวมีตนไป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 ความโลภเกิดขึ้นมาเราไปหมายผิดๆว่าเร า, ราโลภความความรักเกิดขึ้นมาไปหมายผิดๆว่าเรารักแท้จริงความโลภเกิดขึ้นมาก็แค่สภาวะของความโลภจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้หมายผิดๆจะเห็นว่าไม่มีเราโกรธไม่มีเราโลภไม่มีเราหลงไม่มีเราแก่ไม่มีเราเจ็บไม่มีเราตายนะงั้นเราฝึกไปเรื่อยในสุนเราทำลายสัญญาที่วิปลาดไดนะ้แต่ไม่ใช่ทำลายสัญญานะ ถ้าทำลายสัญญาเนี่ยเห็นไฟเขียวก็ไม่รู้ว่าไฟเขียวก็ขับรถนะจอดลูกเดียวเลยนึกว่าไฟแดงเนี่ยอย่างนี้ก็วิปลาสเหมือนกันแต่วิปลาสอย่างโลกๆแล้วต้องไปหาจิตแพทย์แล้วอย่างนั้นงั้นเราฝึกนะวันหนึ่งเราจะทำลายความวิปลาสสัญญาที่วิปลาสชอบตีความอะไรให้มันมีตัวมีตนขึ้นมางนะั้นหัดดูจิตเนี่ยถ้าดูเป็นนะก็จะเห็นเลยนะจิตทั้งหลายไม่เที่ยง จิตท so, so, so, so, ุกชนิดแหละไม่เที่ยงจิตทุกชนิดเป็นทุกคือทนอยู่ไม่ได้จิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวใช้ตนอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาดูจิตอย่างนี้เห็นไตรลักษณ์ของจิตก็เรียกว่าเดินปัญญาด้วยการดูจิตเหลืออีกอันหนึ่งดูจิตยังไงเกิดบิมุดดูจิตให้เกิดศีลก็รู้ทันกิเลสกิเลสครอบงาจิตไม่ได้มีศีลดูจิตยังไงให้มีสมาธิสมาธิมีสองแบบสมาธิสงบเนี่ยนะ น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์แต่เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตก็สงบดูจิตยังไงให้มีสมาธิตั้งมั่นให้คอยรู้ฐานจิตที่ไหลไปไหลมาไหลไปเพ่งก็รู้ไหลวิคิดก็รู้นะถ้ารู้ทานจิตที่ไหลจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิชนิดตั้งมั่นดูจิตยังไงให้มีปัญญาก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงไตรักของจิตไม่ได้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะไม่ได้ไปรักษาจิตนะ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 มักในขณะมักขยานเกิดมักขยานเกิดงั้นดูกายมาเรื่อยๆก็เรียกพระเจริญมักขปฏิปทาแต่ตอนที่จะเกิดได้โสดาปฏิมักสักตาคามีมักเกิดที่จิตโดยเฉพาะอรหัตมักอรหัตมัคเนี่ยเป็นความเห็นแจ้งจิตเห็นแจ้งว่าจิตนี่แหละเป็นทุกข์พระอนาคามียังไม่เห็นเลยว่าจิตเป็นทุกข์พระอนาคามีเห็นว่าจิตเป็นตัวสุขนะ พระพระอนาคามีเนี่ยถนอมรักษาจิตห่วงแหนจิตยิ่งกว่างูจงอางห่วงไข่นี่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ไม่คุ้นกับงูจงอางไม่รู้มันห่วงไข่แค่ไหนหรอกแต่ไขยุคนี้แพงเนาะก็คงหวงหน่อยอแต่ถ้าภาวนามาถึงขีดสุดนะเห็นนะตัวจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือจิตนั่นแหลตะตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้จะสลัดคืนจิตให้โลกนะ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 อย่าเพิ่งทิ้งนะทิ้งมันค่อยจริงของมันเองตอนเป็นพระราหารันะแล้วมันจะเป็นธรรมจะเป็นธรรมธาตุอันเดียวล้วนๆ้นเลยนะนี่แหละเรื่องดูจิตละพอไหวไหมอย่างน้อยต้องดูจิตให้มีศีลได้นะต่อไปนี้นะใครใครมีศีลรักษาง่ายขึ้นบ้างละตอนนี้ใครรักษาศีลได้ง่ายขึ้นยกมือให้หลวงพ่อดูโหสาธุเลยนะแค่นี้หลวงพ่อก็ปลื้มแล้วนะพวกเรายุคนี้ยุคทุศีล น, นะ พวกเรามีศีลเนี่ยแค่นี้หลวงพ่อก็ปลื้มแล้วสมควรที่เราจะทนทู่มซีสอนต่อไปใครรู้สึกว่าทําสมาธิง่ายขึ้นจิตสงบง่ายขึ้นใครรู้สึกไหมใครแยกธาตุแยกขันได้แล้วบ้างยกมือซีแยกเป็นคลาวลไม่ได้แยกทั้งวันหรอกใครเคยแยกแวบๆสักทีสองทีมีไห้ยกมือยกสู๋ๆหน่อยยกเยอะๆไม่ใช่เราเป็นหน้าม้านะยกอยู่แค่นี้ยกอย่างนี้ เข้มแข็งหน่อยสิกลัวอะไรนะมีธรรมะอยู่กับตัวกลัวอะไรนะก็เหลืออันเดียวนะเหลือวิมุตต์เนะนี่ยดูจิตเรามีศีน ร, รักษาศีนง่ายดูจิตเรามีสมาธิง่ายดูจิตเราเริ่มมีปัญญาแล้วเห็นทุกอย่างไม่ธนะาตุขันมันแตกกระจายแยกออกไปกายส่วนกายจิตส่วนจิตนะเห็นกายมันทํางานไม่ใช่เราเห็นจิตมันไม่ใช่เรานะดูไปด้วย สุดท้ายวิมุติมันก็เกิดจนได้ละเวลาเกิดเกิดที่จิตนะเดี๋ยวพาะขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะนี่แหละคําสอนที่หลวงปู่ดูลสอนแล้วหลวงพ่อไปจํามานะเรียบเรียงมาจากการที่ได้ฟังท่าน่นะะเอามาประพฤติปฏิบัติดูไปส่งการบ้านท่านเรียนอยู่เจ็ดเดือนนะท่านให้สอบผ่านแล้วนะท่านบอกพึ่งตนเองได้ละแต่ถ้าประคองจิตให้นิ่งไปหาท่านกลับไป ไปทําใหม่ <c oughs> ไปทําใหม่อ้าวเท่านี้ก็พอนะสี่สิบห้านาทคนาาีครับนมัสการครับหลวงพ่ออยู่ไหนยังไม่เห็นนี่ครับผมส่งการบ้านนะครับจิตถึงฐานไหมอะไรนะครับจิตถึงฐานไหมตอนเนี้แล้วจิตกว้างๆออกนอกจิตมันค่อนข้างนิ่งนะครับโอแล้วก็ตื่นเต้นเอครับมันตื่นเต้นก่อนหรือมันนิ่งก่อน สลับกันไปแล้วแต่ oh, ไปรู้ okay, ตอน okay, <ๆ>ไหนัยงครับเก okay, ่งครับตอบอย่างนี้เลี่ยงได้ดีเลยเพราะมองไม่ตันว่อันไหนเกิดก่อนอ้าว่ามาภาวนาดีเชียวช่วงหลังภาวนาเราก็เมื่อก่อนเป็นคนที่ยึดค่อนข้างเยอะครับอะไรเยอะนะยึดมั่นถือมั่น<อ>ยึดตัวยึดตนเยอะมากแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันรู้สึกว่ามันมีแต่ทุกข์แล้วมันก็ปล่อย ซึ่งพอมันปล่อยคือมันมันปล่อยหมดเลยอะครับอคือภาวนาก็เลยไม่ค่อยได้ภาวนาหรื อ, อเห็นก็เห็นเบาๆนั่นแหละนะมันมากไปมันมากไปมันปล่อยเร็วไปเรายังไม่ได้รู้ทุกเขียมแจ้งเลยเพราะฉะนั้นพยายามกลับมารู้สึกในกายในใจของเราปล่อยๆรา่งั้นมันจะไม่ยอมรู้ทุกต่อไปนะมันจะทิ้งกายทิ้งใจะจะกว้างๆออกนอกไปการที่เราเห็นกายเห็นใจมันทํางานมาช่วงหนึ่งนะแล้วจิต เลื่อนออกไปนี่สว่างว่างอยู่อย่างนี้นะรู้สึกไหมมันสว่างสว่างว่างว่างอยู่ตัวนี้เรียกว่าโอภาษเป็นวิปัสสนูปกิเลสตัวที่หนึ่งมี10ตัวนะแต่ไม่ต้องกลัวนะทุกตัวก็คือจิตมันออกนอกทั้งนั้นเลยงนั้นจิตตอนนี้ไม่ได้เข้าฐานจริงจิตสว่างว่างออกไปภายนอกถ้าเรายินดีเราพอใจแล้วบางคนนึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เลยนะอยู่ตรงเนี้ยถ้าเรามีปัญญาเราเห็นยังมีกิเลสอีก งั้นเราพยายามย้อนมารู้กายรู้ใจเนืองเล น, นะดีถ้าภาวนาทำวิปัสนาเป็นนะจะต้องเจอวิปัสโนถ้าทำวิปัสนาไม่เป็นไม่มีวิปัสโนเพราะงั้นถ้าหลวงพ่อบอกว่าใครมีวิปัสโนนะต้องภูมิใจนะออไม่ใช่ประนามยามเหยียดนะ<อ>แต่ถ้าบอกมีนิมิตเนี่ยฟังแล้วลอยถ้วยมากในความรู้สึกเลยนะแต่ถ้าวิปัสโนเนี่ยเริ่มเดินวิปัสนาล้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 วิปัสสนูที่เหลือก็แบบเดียวกันนี้แหละจิตออกนอกครั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือพอเวลาจะนอนอย่างเงี้ยครับแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันก็ไม่นอนนะครับคือจิตมันไม่หลับแต่ร่างกายมันเหมือนมันต้องการพักผ่อนอแต่ว่าจิตไม่ไม่ยอมหลับคือรจริงๆบางทีร่างกายหลับนะเอาร่างกายหลับนะนอนคลิ้งไปคลิ้งมาสั่งให้พลิกยังไม่ได้เลยแต่จิตนั้นมันตื่น คนทั่วๆไปเนี่ยจิตนอนไม่นานหรอกจิตต้องการพักเนี่ยไม่นานร่างกายต้องการพักหนักงั้นเวลาเราภาวนาไปแล้วก็จิตมันตื่นก็ช่างมันร่างกายยังนอนอยู่ให้ร่างกายพักไปนะนใจของเราก็รู้สึกสบายรู้สึกไปดูไปสบายๆดูกายดูใจได้ภาวนาโต้รุ่งเลยมีความสุขมากมั น, มนเราเคยชินเท่านั้นแหละ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 พ ร, ระอาหารหันต์เนี่ยตอนกลางคืนตอนที่ร่างกายหลับเนี่ยคิดไหมก็คิดแต่คิดได้ไม่ใช่ใชคิดไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเรียกว่าฝันกไม่มีสติอ้าวครับมสาสัารภาวนาไปหน้าไอ้หนูภาวานาดีเชียวล่ะกับ น, นมัสการหลวงพ่อค่ะคือฟังซีดีมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะแต่ว่าหลงอยู่เยอะมากก็ ไม่ค่อยคืบเลยแล้วก็เพิ่งมาทําในรูปแบบประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะจิตมันหลงไปหรือว่าเราหลงโลกเราหลงโลกด้วยค่ะเออเราหลงโลกไม่ดีนะถ้าจิตหลงไปยังไม่เป็นไรเราค่อยรู้ทันออกแต่หลงโลกเราต้องมีวินไนมีวิไนไหมค่ะแล้วก็พอมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะจะปฏิบัติไม่ค่อยได้ค่ะหลวงพ่อคือจะฟุ้งๆหลงๆมีโทรศัมีอะไรวิ่งมาไหลๆเต็มเปหมดเลยสมาธิเราไม่พอนะ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 เราเหมาะกับการดูกายหรือดูจิตคะหลวงพ่อตอนนี้เหรอตอนนี้ยังไม่ดูกายดูจิตอะไรหรอก <c oughs> ให้จิตกลับบ้านก่อน <c oughs> ให้จิตอยู่กับเนื้อกับตั ว, ว <c oughs> บ่อยๆนะค่ะ <c oughs> ถ้าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ ว, <c oughs> ลวเดี๋ยวหนูก็เห็นเองแหละแลถ้าสติเราลูกรู้กายบ่อยก็ <c oughs> เราก็รู้กายไปสติเราลูกรู้จิตบ่อยเราก็รู้จิตไปขอบคุณค่ะที่สําคัญก็คือให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้ล่องลอยนะ นวัสการครับหลวงพ่อผมส่งกันบ้านเมื่อตอนมีนาคมนะครับหลวงพ่อแนะนําว่าให้ไปพุทโธเป็นที่อยู่ของจิตนะครับผมก็ปฏิบัติไปแล้วก็จิตมันก็สงบมากขึ้นกว่าว่าของเดิมแล้วก็บางครั้งก็เห็นเหมือนกับความคิดมันผุดขึ้นมาเหมือนกับฟองน้ําอ่ะนั่นนนะฮะนี่อยากจะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันพอจะพอจะดีใช่ไหมครับดีสิครับ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 ถ้ารู้บ่อยๆนะหรือสวดมนต์ยังได้เลยเอ阿ะหังสัมมาสัมพุโทโธยังไม่ทันพักวารเลยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้ะเนี่ยรู้ทันมันรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆนะจิตจะได้สมัครที่ตั้งมั่นขึ้นมาครับทําตัวนี้ให้มากๆนะถ้าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็ดูกายดูใจเขาทางานเรื่อยไปเหมือนดูคนอื่นเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตใจโลบโ ก, กลดหลงเหมือนเห็นคนอื่นลบกรธหลงไม่ใช่เราโลบกรธหลง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 ก็ยังคงตั้งมั่นอยู่แล้วดูจิตตัวน้เฉยเมันดูเฉยเใช่เจ้าค่ะดูอยู่เฉยๆแล้วก็ที่สุดมันก็สิ่งที่น่ากลัวก็หายไปเพราะมันไม่เที่ยงใช่ค่ะหลังจากนั้นก็มีเสียงอยู่ข้างในมีปรากฏเป็นเสียงของตัวเองเนี่ยพูดอยู่แต่จิตที่ต uh ั้งมั่นก็ยังตั้งมั่นอยู่แล้วเสียงนั้นก็ไม่ได้ฟังว่าพูดว่าอะไรที่สุดเสียงนั้นมันก็ ก็หายไปนั่นแหละทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนะมันเหมือนเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขณะที่หลับแล้วมันรู้สึกตัวขึ้นมาค่ะหลวงพ่อถ้าเราจงใจไม่เกิดหรอกเจ้าค่ะอันนี้มันคือหัดเจริญสติไปด้วยนะแต่อไปมันเกิดบ่อยๆเจ้าค่ะแล้วที่ปฏิบัตินี้หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำว่าต้องถ้าจิตมันไหลออกข้านอกเราก็รู้ทันเอานะที่ฝึกอยู่ก็ดีหรอกเจ้าค่ะแล้วเหมือนกันทําสมาธิค่ะบางทีมันไม่ได้ การทำสมาธิมันไม่ได้สงบรวมนะคะแต่มันที่ไปเกิดตอนหลับนะคะบางครั้งเหมือนจิตได้คได้หลวงพ่อพุธกวกับพูดนะเรื่องเนี้บอกบางคนเจริญสติในชีวิตประจําวันนี้แหละแล้วสมาธิมันไปเกิดตอนหลับไม่เกิดเองใช่ได้ก็ไม่ถึงว่าพยายามเจริญสติให้คอยรู้ทันเวลาจิตไหลออกนอกอะจิตไหลไปไหลมาคอยรู้ทันบ่อยๆเท่านั้นแหละเจ้าค่ะค่ะขอบคพระคุณเจ้าค่ะ กับนมสัส ก, การหลวงพ่อครับผมฝึกปฏิบัติฝึกสติโดวยวิธีการตามหลวงพ่อเตียนนะครับแล้วก็ดูจิตตามวิธีการของหลวงพ่อนะครับแล้วก็การฝึกสติของผมก็คือจะดูมือที่มันขยับแล้วมันไปเพ่งพอมันไปเพ่งแล้วมันจะหลง มันจะหลงขยับมือขวาจะหลงมือซ้ายขยับ ม, มือซ้ายจะหลงมือขวาผมทําแบบนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันมันแน่นนะครับ<อ>ครับมันจะแน่นๆ<อ>แล้วก็พยายามดูดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การฝึกปฏิบัติของผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนอยู่ในห้องแล้วก็มีคล้ายๆกับมีหลอดไฟ สองให้มันร้อนมันรุ่มร้อนแล้วก็มีตัวเซนเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งพอพอมือไปโดนเซนเ ซ, นเซอร์แล้วก็จะรู้สึกว่ามันหลอดไฟตรงนั้นมันดับไปครับมันก็ติดดับติดดับแล้วก็ร้อนเย็นร้อนเย็น <c oughs> อยู่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ผมเคยส่งการพ้านหลวงพ่อครั้งหนึง่งเคยเคยส่งมาแล้วครั้งหนึง่งหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดู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 เวทนาก็ของถูกรู้นะกิเลสก็ของถูกรู้ไม่มีเราสักอันเดียวก็เดินปัญญาต่ตอไปแล้วผมควรจะดูยังไงเพิ่มเติมนะครับก็ขยับไปแหละเคยฝึกอย่างโลวงพอเทียนก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ไม่ใช่ไปฝึกแล้วก็ทำใจลอยลยไปนะไม่ได้ฝึกให้ใจลอยไม่ได้ฝึกแล้วเพ่งจนใจแข็งแข็งแรู้สึกว่าการฝึกมันรู้สึกมันจะ เขาไปเพ่งพอไปเพ่งแล้วรู้ว่ามันไปเพ่งแล้วจะไปบังคับมันนะครับจะไปบังคับมันให้รู้ว่าไม่พอใจแล้วยินร้ายแล้วครับไปขอบคุณกรรัธรศาสการหลวงพ่อค่ะคือฟังคนอื่นเขาส่งกันบ้านรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างมีสีสันนะนะคะแต่ตัวเราดูจิตมาประมาณสีหปีมันก็เรื่อยๆช่วงแรกๆก็มีอุปสรรคบ้างก็ผ่านไป แต่ว่าโดยรวมๆเหมือนมันเรื่อยๆเปื่อยๆเลยไม่แน่ใจว่าตัวเองโดยรวมอะไรนะมันเรื่อยๆเปื่อยๆมันไม่ค่อยมีสีสันเหมือนคนอื่นคุอะไรอย่างเงี้ยครัไม่มีสีสันไม่เป็นไรแต่ต้องมีความต่อเนื่องนะสังเกตหรือเปล่าว่าจิตของเรากับโลกข้างนอกนี่ห่างกันออกมาค่ะเห็นไหมโลกข้างนอกมันทุกข์นะพอมันห่างออกไปความทุกข์มันก็ห่างใจเราออกไปด้วยดูออกไหมค่ะรู้สึกไหมกายกับจิตเป็นคนละอน มีรู้สึกบ้างบบไปรู้สึกเปล่าว่าความสุขความทุกข์กจิตเป็นโครลานใช่ไหมรู้สึกไหมกิเลสกระจิตเป็นโครลานค่ะแล้วจะเอาอะไรอีกไม่ต้องมีสีสันหรอกสีสันเป็นความปรุงแต่งเห็นอย่างที่หลวงพ่อถามมานี่นะเห็นได้หลักแล้วส่วนสีสันนันของปรุงแต่งไม่ต้องมีสีสันหรอก ที่เราที่หลวงพ่อถามเนะี่ยคนอื่นเขาฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีสีสันน ะ, ะมีไหมมีมันได้หลักไนดะ้ก็ดีแล้วล่ะจะเอาอะไรอีกแล้วบางทีขับรถอยู่แล้วรู้สึกเหมือนตัวเรามันเหมือนแว๊บๆอะค่ะว่ามันเป็นแขนมันเป็นท่อนๆแต่ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าลรืม่ไรู้สึก<ๆ>เอานะมันเห็นรูปมันเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วอามหลวงพ่อ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 พอพุทโธพอมันหลงไปมันก็ตามตามไปรู้ว่าตัวเองหลงแต่ว่ามันก็ไม่สงบแล้วก็มานะพุทโธต่อก็กลับมาเรื่อยๆมา <สะ S 2> พุทโธ <สะ S 2> เรื่อยๆไม่ได้ไมนะ่ได้ภาวนาเอาสงบนะมันสงบเองค่ะ <c oughs> ถ้าจงใจให้สงบไม่สงบหรอกเหมือนอย่างโยมเมื่อกี้นี่ที่ส่งกันบ้านอนะ่ะฝึกทั้งวันไม่สงบหรอกนะพอไปนอนไม่ได้จงใจเลยนะสงบเองเลยงั้นที่ที่ผ่านมาหลวงพ่อมีอะไรต้องแก้ไขเพิ่มอีกไหมคะ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 เพราะว่าพอเวลารู้สึกว่าตัวเองมองแบบนี้แล้วพอเห็นคนอื่นเขามองแบบอีกแบบหนึ่งเราก็คิดว่าให้ของเราเนี่ยถูกแล้วนะในแบบนี้ให้รู้ทันนะในี่กิเลสอีกตัวหนึ่งชื่อมานะค่ะเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งเทียบเขาเทียบเรานะหรือบางทีเห็นว่าโอ้คนอื่นคือเก่งอย่างเลยเราไม่ได้เรื่องเลยนี่ก็มานะนะเทียบเขาเทียบเราเหมือนกันค่ะอันนี้หนูก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันอให้รู้ทันมันก็กิเลสตัวหนึ่งเท่านั้นเอง เหมือนกับลบ ก, กลดลงธรรมดานั่นแหละค <หา S 1> ่ะ <หา S 1> อ่ะต่อไปขอบคุณมากค่ะากาบมัศมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งเริ่มปฏิบัติมาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมครับไม่นานมานี้ก็แต่ก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติแบบสเปสปะมาเพราะว่ายังจับทางไม่ถูกอะฮะ ม, มาเพิ่งจับทางถูกได้เมื่อประมาณต้นเดือนนี้ครับก็ช่วงะระยที่ปฏิบัติเวลารู้มันจะพากัครับ S <S ว่าเนี่ยรู้อะไรอะไรเงี้ยครับ <S <S ห้ามไม่ได้หรอกครับแต่ว่าตอนนี้ก็หายไปแล้วครับ <S <S 2> <S 2> แต่มันมีตัวใหม่มาใหม่อีกครับคือเป็นคนชอบฟังเพลงครับคือเวลาฟุ้งมา ก, มากๆแบบภาวนาไม่ไหวก็จะฟังเพลงให้มันสงบก่อน <S <S ได้แล้วก็ค่อยมานั่งภาวนาต่อ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าพอฟังเพลงแล้วเนี่ยพอมานั่งภาวนาได้ครับมันจะมีเพลงเล่นขึ้นมาในหัวเองนะครับนั่นแหละสัญญามันทํางานห้ามไม่ได้หรอกแต่ก่อนจะ หลงไปประมาณวราร้องต่อคะมันจะขึ้นมาให้สักท่อนนิดๆ <S <S แล้วก็จะร้องต่อมันก็จะไหลไปเรื่อยๆของมันเลยครับ <S <S นี่ไ ง, งสัญญาสัญญาญผุดขึ้นมานิดนึงนะสังขารมันก็ปลุงต่อเลยแล้วก็ร้องต่อเลย<ะ> <ทำ S 2> แต่ว่า <ๆ S 2> ช่วงนี้ก็รู้บ้างพอรู้บ้างก็จะไม่ร้องต่อเัื่อจะหายไปสักพักมันจะเอาเพลงใหม่มาล่อล้ออีกอย่างเงี้ยครับมันเปลี่ยนเพลงอย่างดีนะบางคนมันร้องเพลงเดิมร้องอยู่วักเดียวใครเคยเป็นไหมปังแล้วหงุดหงิดนะรู้สึกไม่พัฒนาเลย แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรครับมันแค่รู้เฉยๆอะคะนั่นแหละดีแต่ว่าไม่ต้องจงใจให้มันเป็นนะถ้ามันเป็นเองเรดีแล้วคือตัวที่เจอบ่อยๆไม่เข้าไปไหมครับตัวที่เจอบ่อยๆจะไม่เห็นความคิดนะคะมันจะคิดบ่อยมากเลยพอรู้ปุ๊บคิดยังรู้มัไม่ถึงสิบวิก็คิดอีกแล้วอะไรอย่างนี้ครัคิดบ่อยมากกี่วินาทีนะคิดไม่ถึงสิบอะครับบางทีอะค่ะห้ยไปดูไม่นะ วินาทีหนึ่งก็คิดแล้ววับวัวับวับอนี้ทั้งวันแหละนะไปดูไปเรื่อยเราเห็นเลยจิตน่ยปรุงตลอดเวลาเลยครับแล้วก็มีแต่ทุกข์นะพอเห็นความปรุงมากๆเห็นทุกข์เยอะเลยรู้สึกทุกข์บ้างไหมบ้างครับะไปดูนะแต่ใจอย่าแห้งแรงจะเห็นมันจืดชืดแห้งแล้งไม่มีความสุขเลยโลกเนี้นะถ้าเจออย่างนี้ก็ให้รู้ทันนะอย่าให้ความรู้สึกแห้งแรงเนี่ยครอบงําจิตได้ ก็ S 2> <S 2> <S <S เป็นแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองครับเราไอ้ตัวที่รู้แต่ไม่รู้ว่าอะไรนี่ก็ถือว่ารู้ใช่ไหมครับรู้รู้เรียบร้อยแล้วครั บ, รบถ้ารู้ว่ารู้อะไรเนี่ยเรียกรู้สมมติบัญญัติถ้าเห็นสภาวะแต่ไม่รู้อะไรเห็นสภาวะแต่คนส่วนมากเห็นสภาวะแล้วก็รู้สมมติบัญญตัติต่อแต่เราเป็นนักปฏิบัตินะถ้าเราเห็นแค่สภาวะปรุ่งขึ้นมาแล้วก็ขาดไปเห็นเท่านั้นแลดีแล้วครับมีอะไรเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปไหมครับ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 ก็ามาซ้อมอาดดูจิต ด, ดูใจมันทางานไปเรื่อยพอต่อไปสตีมจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันนะจิตไหวบั๊บก็เห็นเองอะ่ะไม่ได้จงใจจะเห็นหรอกอย่างอยงอย่างนี้โยมเรียกว่าแยกธาตุแยกขันได้หรือยังคะการที่เห็นตัว <c oughs> แล้วก็เห็นความร้อนในตัวนี่ยมันวูบขึ้นมาแล้วก็หายไป อ, อาจดูไปนะดูไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่เห็นเลยทุกอย่างมันเป็นของถูกรู้ถูกดนะูมาแล้วก็ไปดูนะดูสบายๆแต่เวลาดูเนี่ยอย่าให้ใจถลาลงไปดูดูเหมือนเห็นของคนอื่นเขานะยงดูอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมจ๊ะ ห, หมดแล้วยังหมดแล้วเหรอ่ะก็ะได้ฟังธรรมแล้วก็ส่งกันบ้านครบแล้วนะครับ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 ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาขรางเอวเมวะอีโตดินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจโตสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชฉันตูสัพโรโววินัสตู มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโภพวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังวุทธาปจายโนจตารโรธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพลัง